ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อพูดหลวงพ่อกันแล้วกันนะคณะสัทายาติโยมลูกหลานเพราะอายุของหลวงพ่อเนี่ยปีนะลูกหลา น, นผู้ที่มีอายุมากกว่าหลวงพ่อก็เรียกว่าพี่พนะพ่พี่ถ้าหากว่าอายุน้อยกว่าเอาหลวงพ่อเรียกหลุงพ่อกันแล้วกัน แล้วก็ก่อนที่จะสมาทานศินเมื่อกี้นี้คณะทาญาติโยมได้กล่าวรัตนาศินมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัชนัถายะแต่การกล่าวรัตนาศินมีอยู่สองอย่างศินห้านั่นบางถิ่นก็บางครั้งกว่ามะยังพันเตติสรนีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะแต่ทําไมารัตนาศิน 5ขอสินห้าแต่ทำไมจึงกล่าวเป็นสองอย่างสินสองมาตรฐานและอสินสองเรื่องราวหรือเปล่าแต่ว่าสินห้าเหมือนกันแต่ตามไม่จริงสินห้าอันเดียวกันแต่ว่าการกล่าวอรัธนามีสองอย่างคือมะย่างพันเตติสรเนนตสาปัญจาข้าพเจ้าขอสมาทานสินห้าทั้งหข้อพร้อมกัน อันนี้คือปัญจะแต้มวิสุงวิสุงรักนัดถายะข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการรักษาศินของข้าพเจ้าในครั้งนี้คราวนี้ข้าพเจ้าขอรักษาปิดศินเป็นข้อๆคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5้ามว่าข้าพเจ้าได้ร่วมเกินในร่วงละเมิดศินข้อที่1นึ่งสินข้อที่1ก็ขาดไปยังเหลืออีกสี่ต่อไปเมื่อเราทํา ขาดข้อที่2ยังเหลือ3ามเป็นอันว่าม่อยังพันเตวิสูงวิสุงเรารักษาเป็นข้อๆแต่เม่อยังพันเตตีสระเนนัสหาปันจะเราเรารักษาสินรวมทั้ง5ข้อแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองทับถ้าจะรักษาสินทั้งทีนะควรจะรวมกันทั้ง5ข้อเอาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยพอเราได้ตั้งใจ ต้องมาทานสินอยู่แล้วนะไม่ควรทำขยิกขยักทีละข้อสองข้อเวลาได้มากมันก็ได้ทีละน้อยไม่ใช่ะรอถ้าเราทุ่มเททำื่องคุณงามความดีด้วยความตั้งใจบุญกุศลก็จะได้สมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้คื อ, คอการอาราธนาสินนะคณะทา ญ, ญาิโยมลูกหลานเมื่อยังปันเตวิสูงวิสูงก็มายัางปันเตศรในรัหปัญจะนะ และตอนนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาเป็นผู้พานำํำกล่าวว่านโมนโมตัดสาปเขาว่าตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มี พ, าพาระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็คือโมสามจบนะกล่าวถึงสามครั้งเราทําไมเราจะรักษาศีลทําไมึงกล่าวถึงนโม น้ำโมเนี่ยคือนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือสินห้าที่เราจะรักษาที่เราจะส ม, มาทานเป็นสินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานสินให้กับพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคณะทายาิโยอุบาศกอุบาสิกาเหมาะสมที่จะรักษาศินห้าได้แต่สาหรับพระสง ผู้เข้ามาอยู่ภายในท่านก็ให้รักษาศินสิบสำอย่างส ม, มนเนณและสินสองรยสิาสำหรับพระแต่สำหรับคณะสัตยายา จ, จมผู้มีภาระพันธะธุระมากเอารักษาศิน5้านี้กับน่าจะเพียงพอทำให้โลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะนั้นท่านจึงให้สมาทานเพื่อให้สินห้าเพราะนั้นออก่อนที่ พวกเราจะรับศินห้าของพระพุทธเจ้าเราคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นบรมครูของพวกเราเพราะนั้นท่านก่อนที่เราจะรับาศาสินเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาต้นาศาสนาท่านประธานทําคําสอนออกมา เมื่อท่านพระธรรมเมื่อท่านประธานพระธรรมคำสอนออกมาเราก็ได้ฟังได้ศึกษาแล้วยอมรับในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพราะฉะนั้นเราจึงนอกน้องพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธต้นาศาสตาต้นแนวความคิดก่อนจากนั้นก็เรากวาดพุทธังสระนางคัตฉามิทำมังสังขังสระนางคัตฉามิ ข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นประกาศพระธรรมคำสอน 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์สินห้านี่ก็คือศินในหมวด8ป0 0 0ื่พันพระธรรมขันธ์เพราะฉนั้นพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจึงยึดพระธรรมทรมังสรนังเป็นสาระพินเป็นที่พึ่งและก็สังขังสารนังคัจายมิฆาพรเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ในปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศเผยแผ่พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ พุทธศาสานาก็คงจะหมดในยุคสมัยนั้นแต่นี่พระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนออกมาบอกกล่าวพวกเราจึงถือว่าเป็นผู้มีพระคุณพวกเราจึงยึดว่าพุทธังเป็นผู้ต้นศาตราต้นศาสนาธรร ม, มังเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสังขังสงังขข้าพระสงฆ์สาวก เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนของพระเจ้าออกมาประกาศเผยแพ่อันนี้ก็คือเรายึดพุทธทางธรรมังสังขังสระนังขจามิดูตียามปีข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองอพุทธทางธรรมังสังขังสระนังขจามิตตียามปีพุทธทางธรรมังสังขังข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นกล่าวเป็นองค์ศิลง ปานาติปาตาเวรมณีศิกขาประทังสัมาทิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาไม่เมื่อเราไปฆ่าเขา เ, เราก็ไม่รู้สึกอะไรพอเราไปฆ่าเขาเราชาใ จ, จอีกต่างหากแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศาคณะญาติของเราเรารู้สึกเสียใจอย่างมาก เมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขากคงจะเสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายท่านจึงบอกว่าอย่าคิดฆ่ากันนะถ้าคิดฆ่ากันคนทั้งโลกมันจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เคารพสิทซึ่งกันและกันอันนี้คือสี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยคนอื่นเขาเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจ ถ้าไม่เราไปขโมยของคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันอย่างพวกเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศาคนาญาติของเขามาเรียกค่าถ่ายอย่างนี้ เ, เขารู้สึกอย่างไรเขาเสียใจถ้าเขามาเอาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าทายล่ะ เ, เราเสียเราเสียใจไหมแล้ว เ, เราก็เสียใจเช่นเดียวกันกับเขาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือ ศีลของพระพุทธเจ้าเขาเราเขาเราเราเขาศีลข้อที่สกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะลูกหลานของเราล่ะเราเสียใจไมมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อ, อ, อย่าไปทํา ที่ออกนอกโลกนอกธรรมออกทางนอกผิดศีลธรรมให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่3ข้อที่4มุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราก็เสียใจยถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกเขาเขาก็เสียใจยอย่างที่เราไม่มีเงินในธนาคารเราไปเขียนเช็คให้เขาเนี่ยเช็คของเราปเป็เเนเช็คแดง พอเขียนให้เขาเราก็รีบหนีเพราะโกโหกเขาในเมื่อเขาเอาเงินเอาเช็คของเราไปขึ้นธนาคารเงินไม่มีในธนาคารเขาเสียใจไหมถ้าเงินมากๆเขาก็เสียใจถึงจะเป็นบ้าเป็นบอไปได้เพราะอะไรเพราะเขาเสียใจในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันกับเขาเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อยไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันอันนี้คือสินข้อที่4ข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนการเสพรือดือ่มของมึนเมาเมื่อเสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อคนขาดจิตแล้วทําความชั่วในทุกอย่าง เพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอในขณะที่เราดื่มเราเสพมันขาดสติเมื <ME> ่อขาดสติแล้วทาความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ล่าละประร่วงสามีภรรยาลูกหลาน ข, า อ, ของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่หเป็นสิทนสที่อันตรายเพราะคนทําให้คนขาดสติในเมือ่อคนขาดสติแล้วทาความชั่ว เสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นศีลและธรรมศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะทายาิโยมทั้งหลายได้ฟังเนี่ยสรุปแล้วคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราคือเขาเราเราเขาเขาเรา เ, เมื่อเรารู้คุณค่าของศีลแล้วขอให้พวกเราสํานึกตรวจตราดูศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริง ถ้าหากว่าพวกเราจะให้ใครเป็นผู้รักษาให้พวกเราท่านทั้งหลายนับหนึ่งจากตัวของเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศินแล้วศินถ้าคนขาดมากๆจะทําให้ประเทศชาติโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายถ้าคนไม่ขาดศินเอาเถอะข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศินแล้วข้าพเจ้าจะรักษาศินท่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนใครผู้ใดใครผุ้นทั้ ง, ทงหมดพวกเราท่านทั้งหลายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกคณะสัตยาติโยมลูกหลานรู้คุณค่าของศีลแล้วต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมโพทธัส พระมาตัโลกาติปัิสหัมปติกันั่นเจลีนที่วังยเมญ่าจัตตาปันติประอาจาติกายังเตเษสุตมังอนุคัมปิมังปัจจังเอ่อัลอาธนาธรรมพังกากับอัลอาธ น, นาธรรมอุตรคงจะแตกแตกต่างกันบ้างนะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรใช้ได้ใช้ได้ผม mm. ไมได้ลาราธนาทุกวีทุกวันเนี่ยใช่ไหมมันก็มีพลังมีเพลอะไปบ้างเป็นธรรมดาเอาต่อนี้ไปตั้งใจฟังนะคณะบัทธาญาติโยงรวงพ่อเองวันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดอุดรเป็นพันพันกิโลเหมือนกันนะก่อนที่จะมาถึงลูกหลาน แต่ก่อนหน้านี้คูบ่าวเวกเที่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องสุดท้องนะเอแล้วก็ไปเคยไปอยู่กับวัดที่ไปอยู่วัดหลวงพ่อนะถามเมื่อกี้นี่ยเวกได้ไปอยู่วัดหลวงพ่อกี่ปีก้าวปีวันนั้นไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อเก้าปีจากนั้นมาแล้วก่าหลวงพ่อ เขียวที่เป็นคูบาอาจารย์ของท่านเห็นว่า อ, อายุพรรษามากแล้วเนยมาอขอให้มาอยู่ที่วัดป่าแดงนะวัดไม้ขาวเนาะวัดไม้ขาวนะก็ได้มาเป็นเจ้าวานอยู่ที่นี่ตลวงพ่อเออหมอ ล, ละละเพราะอายุพรรษาก็มากแล้วเราเป็นคนทางภูเก็ตพังงาของพวกเราอีก หลวพ่อก็มีพระลูกหลานขึ้นไปไปอยู่กับหลวพ่อนะหลวงพ่อบอกเอ้ยพระภูเก็ตพังงาต้องมาขึ้นมาอยู่ในที่กันดานกันดานซะก่อนอถ้าหากว่าไปอยู่ที่ภูเก็ตพังงานะี่ยเลี้ยงไม่โตแล้วเพราะมันปุ๋ยปุ๋ยเยอะหนูงพ่อว่านะเอปุ๋ยมันเยอะอะไรปุ๋ยมันกัดก่อนเอต้องให้ไปอยู่ในที่กันดานกันดานให้มันโตซะก่อนอโตซะก่อนเสร็จแล้ว มีกำลังพอและจะค่อยกลับไปอยู่ทางภูเก็ตพังงาไปอยู่ในที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่เป็นไรถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วมาอยู่ในสถ า, านที่บริบูรณ์โวยมากพระน้อยพระโหนมทั้งหลายจะจะอยู่ในพุทธศาสนาไปได้เพราะนั้นอย่างที่ ครูเบลเวกเนี่ยไปอยู่กับหลวงพ่อถึง9ปีนะก็นักัดทาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อไปสอนแบบลูกลูกห ล, ลานแบบธรรมะธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบายอาจารย์พาําเนินอย่างไรนะหลวงพ่อกับแม่แนวบอกกล่าวลูกหลานทุกองเดี๋ยวนี้ก็มีพระทั้งหมดในวัดของหลวงพ่อก็ผมเดี๋ยวนี้มีอยู่ 30- 30รูปนะในพรรษาเนี่ยก็ประมาณชั40ก40่สิกว่าองค์ ถ้าออกพรรษาแล้วก็ลดลงอ่านี่แหละประมาณ20 30นินี่ยและแล้วก็วันนี้หลวงพ่อก็ได้อ่ามาจากอุดรานแต่ก่อนที่จะมาหลวงพ่อก็ได้ทราบข่าวครูบาวเวกก็ได้อ่าบอกกล่าวส่งข่าวไปเหมือนกันว่าโยมพ่อได้จากไปแล้วหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอโอ้จะได้ไปหรือเปล่านอกเวกนอกไกลและเกินแต่หลวงพ่อก็เออเอารับไว้นะ รับรับทราบเอาไว้แพรพอต่อมาเมื่อวานนีก็จะได้มามาอยู่หลายวันก็คงจะกลับวันที่ห้าวันที่สห้าสหแต่ที่ไหนได้เมื่อเช้าเนี่ยมาสักขยื้อกันให้พวกเขานิมนก่อนเขาก็มาตั้งแต่ตีสหลวงพ่อพวกผมได้นิมนได้เชิญทั้งอธิบดีทั้ง ใครต่อใครมากมายมาในงานหลวงพ่อจะหนีจากพวกผมไปยังไงเพราะว่าอ้าวหลวงพ่อก็เลยเออเอาคุยกันก็นแล้วกันนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ลงมาทางภูกเก็ตพังงาก่อนจากนั้นก็โครงจะได้ตลับพื้นกับพุ่งนี้แลละคณะสัตา ย, ยาญาติโยมลูกหลานแต่ตามไม่จริง เหนื่อยไหมไม่ต้องพูดถึงอายุของหลวงพ่อถึง70ปีขนาดนี้จะไม่เหนื่อยได้ยังไงใช่ไหมแต่จะทำยังไงได้สรุปแล้วก็คือน้ำจิตน้ำใจใจเป็นผู้ตั้งใจทั้งสองกลุ่มสองฝ่ายหลวงพ่อเองก็เห็นพวกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายเอาพ่อกคงจะพอไหวอยู่มา่งหลวงพ่อม เ, เองเสียสะละลงมา อย่างวันนี้แหละพอมาถึงสนามบินแล้วก็ถามว่ า, เ, าเป็นไงไกลไหมจากนี้ไปพังงาประมาณสักร้อยกว่ากิโลครับลงพ่อเออเอาเอ า, เอาไปที่พังงาซะก่อนอยัค่อยกลับไปหยวนพึ่งแล้วก็คงจะไปพักที่นั่นคืนนี้พวกในเชา้าคงจะฉันจังหานที่หยวนพึ่งวัดของท่านดุงพ น, นันคณะสัตยาิโยมลูกหลานหน้าทางความภูรีอยู่แถวภูเก็ตใกล้ใก็ ไปงานไปวัดโยนพึ่งพบกบหลวงพ่อตอนเช้าก็ได้ถ้าผู้อยู่แถวนี้ก็อยู่แถวนี้ล่ะนี่นะอถ้าอยู่แถวนูนะ้นน่ะไปวัดหลวงพอ่อที่หลวงพ่อพักก็ได้วันพุธนี้นะ <c oughs> เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะนะที่นี่นะอพอหลวงพอ่อฟังฟังดูแล้วคนนี้นะโยมของ โยมพ่อของคุบาเวกเนี่ยชื่อคุณพ่อน้อมคุณพ่อน้อมเทพณรงอายุ72 72ปีเออแก่กว่าหลวงพ่อสองปีตัวเองเป็นพี่หลวงพ่อนะเจ็ดส <99, 99. S 1> ิบเก้า้วยนี่เอ๊ท่านเบย ว, ว่าเจ็ดสิบสองเนี่ว่า อันนี้เราเจ็ดสิบสองนะเอ า, 72, เ, อาเป็นเจ็ดสิบเก้านะเอาพูดใหม่นะเจ็ดสิบเก้าปีมีบุตรอพี่น้องเท่ากันเจ็ดคนผู้หญิงสี่ผู้ผู้ชายสามอ้าวเท่ากันกับหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อก็มีพี่น้องเจ็ดคนเหมือนกันผู้หญิงสี่เหมือนกันผู้ชายสามเหมือนกันแต่ว่ากูบเบวกเป็นคนจุดท้อง ออดีได้ลูกชายบวชในพระพุทธศาสนาออถึงอย่างไรก็ยังออก่อนคุณพ่อจะจากไปกับคงจะระลึกถึงออลูกชายว่าได้บวชในพระพุทธศาสนาออก็เป็นเครื่องํำรึกถึงเป็นบุญเป็นกุศลของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะคณะสัทธายาตโยมลูกหลานนะออก่อนที่อยากคงสุดท้ายเนี่ยเราต้องระลึกถึง คุณงามความดีไม่ใช่ว่เ า, เาเราลรึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ไปทางไม่ดีเหมือนกันนะถ้าวันเราลึกถึงทางดีก็คงจะไปในทางที่ดีได้นะนะโมตัสสะภควะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 เป็นวันที่พวกเรามาล้ำลึกถึงอย่างโยมคุณพ่อของคูบาเวก ค, คือคุณพ่อน้อมเทพนรคงที่ท่านมรณะลงไปได้หลายวันนี้เป็นวันหวันเจดเออหวันเจ็ดคืนหคืนเจวันเน่หลวงพ่อทราบแล้วก็จะได้ไปชมเพลิง หรือพระราชทานเพลิงก็ยังไม่แน่นะหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามในรายละเอียดว่าวันพุ่งนี้ในแหละพวกเราท่านทั้งหลายที่มาในงานงานศพ อ, อย่างวันนี้ลูกๆท่านหลานทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องในเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราได้จากไปอย่างเออย่าง คุณปู่คุณตาคุณพ่อของเราเนี่แหละทุกคนก็มีความสลดพดหู่ทางด้านจิตใจแต่จะทำอย่างไงได้เพราะพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บตายอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแล้วแต่พระพุทธเจ้าเองถ้าพวกเราศึกษาในพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยกลัวตายท่านจึงหนีออกไปบวชไปค้นคว้าศึกษาหาหลักวิชาจะทำยังไงจึงจะไม่ตายอันนี้ก็คือถ้าพวกเราได้ศึกษาดูในพุทธประวัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงวังทั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศชาติมีความ สบสบายยิ่งกว่าพวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างทางด้านวัตถุคือปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนะอาหารยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งหม่มที่อยู่อาศัยพอสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่ทำไมพุทธอง์จึงหนีออกจากบ้านจากเรือนออกจากเวียงหวังไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปค้นคว้าศึกษา อยู่ที่ฝั่งแม่น้ําอโนมานทีค้นคว้าศึกษาอยู่หปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดจนถึงวันเดือน6กเพนท่านจึงได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อท่านได้ตัดรู้ท่านจึงรู้แนวทางท่านจึงนําพัทธรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือน6กเพนนั้น ท่านได้ตัดสรู้อะไรคือตอนหัวค่ำท่านได้นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกที่โคลนต้นโพที่พุทธกยาจากนั้นตอนหัวค่ำพระไทยคือใจของพระองค์ ความรู้สึกนึกคิดของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตพัดเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญารณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาเกิดความรู้พิเศษขึ้นมารละลึกชาติผลหลังได้ปุปเพนิวาสานุสติญาณรละลึกชาติผลหลังได้เนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายือนอยันได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เพราะเหตุใดเพราะพระพุทธองค์ระลึกชาติขนหลังได้เรามาจากไหนมาอยู่ที่นี่ก่อนที่เราจะมาเกิดเรามาจากไหนท่านก็บอกว่ามาจากสวรรค์ชั้นรุสิษฐ์ก่อนที่จะมาจากสวรรค์ชั้นดุสิษฐ์มาจากไหนมาจากพระเวสสันดรดก่อนที่จะขึ้นไปเป็นเทวดาเทวบุตรอยู่ชั้นชั้นรุศิษฐ์จากนั้นพระองค์ก็ไล่เรียงลงไปลาดับเ ม, มีมากมาย หลายหมื่นหลายแสนชาติเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่าปุเพนิวาสานุสติยานรับลึกชาติท้นหลังได้มีหลายภพหลายชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเออคือเมื่อวานคืออดีต เ, เดือนก่อนปีก่อนนั่นคืออดีตนี่แหละอดีตก็คืออดีตแต่ชาติเงิมอมีมาเพราะนั้นพระองค์ ระลึกชาติผลหลังใดปุพเพนิว่าสารนสติยานความเป็นมาของเรามาอย่างไรจึงมาอยู่จุดนี้พอถึงเที่ยงคืนท่านก็มองดูสรรพสัตทั้งหลายอย่างมองออกไปข้างหน้าอยางเห็นพวกคณะสัตยาญาติโยมที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนมาจากไหนแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันทําไมมีความทุกจนไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกัน ความเฉลียวฉลาดไม่เหมือนกันความมั่งมีสีสุขไม่เหมือนกันสุขภาพร่างกายร่างกายไม่เหมือนกันแต่ร่างกายเป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรพระพุทองค์ก็มองดูแล้วว่ากรรมกรรมแต่ละคนการคิดไม่เหมือนกันการกระทำไม่เหมือนกันการโทษไม่เหมือนกันเพราะนั้นกรรมจำแนกให้ ส, สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกัน ตอนนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านให้โอวาทปฏิโมกข์ท่านจึงตรัสเตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่าอัคตังรุกตังไสยโยปัชชาตะปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้แหะคือท่านพระพุทธองค์บอกท่านมองได้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาเพราะกรรม กรรมคือการกระทำการกระทำทำได้สมทางกายกรรมมโนกรรมมโนกรรมคือแนวความคิดคิดชั่วคิดไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะตามมาถ้าทำลงไปทำความชั่วคือฆ่าตัตตัดชีวิตอย่างที่หลวงพอ่ออธิบายเรื่องศีลหา เ, เมื่อเราทำไปไม่ดีการกรรมไม่ดีก็จะตามเข้ามาทางกายการพูดออกไปพูด คำหยาบสําหรับเผิดเจอพูดมุสาวาดเมื่อเราพูดออกไปกรรมชั่วก็เข้ามาถูกทางใจทางวาจาของพวกเราเพราะฉะนั้นการทํากรรมทําได้สามทางมาโนกรรมกายกรรมวจีกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถึงจะทํากรรมทางใจก็ดีทางกายก็ดีทางวาจากดีไม่ดีทั้งนั้นเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเป็นผู้เดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหะพระพุทธองค์ได้ตัดสรรุในขณะที่เที่ยงในเวลาเที่ยงคืนนะว่าจุกตูปะปะตาตญาณพอถึงจวนสว่างอาสาวะคยายายญาณญาณอย่างรู้ว่าดวงวิญญาณหรือใจของเราเนี่มาจากไหนต้นตอของใจของเราเนี่มาจากไหนท่านก็ดูตามไปดูต้นตอของใจที่มาจากที่มาเกิดที่มาเป็นดวงใจของเรา ท่านก็บอกว่ามาจากอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังอันนี้ก็คือใจของเรามาจากตัวความโง่คือ ต, ตัวไม่รู้เกิดมาจากตัวไม่โง่เกิดมาจากตัวโง่ตัวไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เลยกว่านั้นพระองค์บอกว่าใจหลวงนี้มาจากตัวอวิชชาเป็นพื้นฐานอวิชชาปัจจยาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารนี่เกิดวิญญาณ จนถึงโสกปฏิเทวทุกโธมณสุขอุปายาตร้องให้พิไรรำพันออกมาจากตัววิชาตัวไม่รู้แล้วจะทำอย่างไรพระองค์เองค้นหาวิธีการที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิด น, ะนั่น ะ, เ, ะเพราะใจดงนี่มันเกิดมันจึงมีตายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงค้นหาศึกษาค้นคว้าศึกษาจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดท่านจึงได้ดู ตัวพาเกิดนั่คือตัวกิเลสราคะโทสะโมหะน ะ, เ, ะเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงกาจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพไทยออกจากใจของพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์จึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจึงไม่มาเวียนไหวตายเกิดเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละคือความเป็นมาของพุท ธ, ธะอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ เรื่อว่าความเป็นมาของพุท ธ, ธะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้ากลัวกลัวมรณนะภัยคือกลัวความตายเพราะนั้นพระองค์จึงจะทำยังไงจึงจะหนีออกจากความความตายไปได้พระองค์จึงได้ไปค้นคว้าศึกษาพอได้ศึกษาได้ตัดทารุปภะอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพแล้วนะ่ะ ท่านก็ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศให้กับพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นอพอมาถึงยุคสมัยของพวกเราก็2558ปีให้หลักแต่พอมาถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านได้ฟังได้ศึกษาแล้ว ท่านก็ได้แนะนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประพฤติปฏิบัติออกมาดําเนินการออกมาปฏิบัติแต่พวกเราไม่รู้ว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านอะองไหนเพราะท่านไม่ได้เขียนเป็นตํำรับตาราไว้ก่อนหน้านี้แต่พอมาถึงหลวงปู่เสามาถึงหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติได้มักได้ผล เป็นที่พอใจพ่อครูพ่พอแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้เรียนทางป ร, รีนมหาป ร, รีนท่านได้ศึกษาทางปริยัตและปฏิบัติได้ศึกษาทำปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นท่านก็ได้เขียนออกมาเป็นประวัติหลวงปู่มั่นหรือทำมาเลกขีจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่แทศอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงปู่แทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆ ที่ท่านได้ปฏิบัติกับองค์หลวงปู่มั่นท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นที่พึงปรารถนาท่านก็ยกย่องเชิดชูบูชาว่าหลวงปู่มั่นคือพระรอรหันต์ท่านพูดอย่า ง, งานั้นทุกองอที่ดี่ั่านได้เข้าไปปฏิบัติอยู่ในองหลวงปู่มั่นทีนี้เราอยากจะศึกษาว่าเมื่อเราศึกษาในพุทธประวัติแล้วนะ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพุทธประวัติเนี่ยท่านดําเนินการอย่างไรท่านในจัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานั้นท่านปฏิบัติอย่างไรแต่พอมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านสอนอย่างไรแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่านท่านสอนเนี่ยใกล้เคียงกันไหมถูกต้องไหมไปแนวแถวเดียวไหมหรือว่าขัดกันหรือว่าไปคนละทิศคนละทาง กับทำคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พวกเราก็ควรจะศึกษานันของหลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าเป็นพระลูกหลานเหรนรุ่นเหรนของหลวงปู่มั่นรุ่นเหรนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะได้นำทำคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนำมาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงปู่ต่างๆคืง ให้พวกเราศึกษาในธรรมเล็กขิดแต่และองค์ท่านบอกว่าเออก่อนที่พวกเราเจะปฏิบัตินะ่ะเออเราไหว้พร ะ, ะก่อนเออถ้าว่าเรามีเวลานะเออหรือว่าถ้าเราเดินนักไปกับพุธกับปลานะั้นก็ไม่ว่ากันละเออแต่ถ้าว่าเรามาอยู่ในสถานที่อยู่ในวัดวานเลยก่อนที่จะปฏิบัตินะ่ะเราควรจะไหว้พระก่อนนับเลิกถึงพระพุทธเจ้ า, จาพระธรรมพระสง์ ให้จิตใจของเราอ่อนน้อมซะก่อนจากนั้นเมื่อเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วกับแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลการอุทิศส่วนกุศลอาหารสุขิโตโหมินิตุโหมิอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าว่าเราพูดไม่ได้เราไม่ได้เรียนเอาเป็นภาษาใจก็ได้ให้เรานึกคิดในใจว่าข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการอย่างที <amiento> ่ข <hayır> <assador S 2> ้าพรเจ้าปรารถนาทุกๆกดวงใจทุกทุกวิญญาณด้วยเถินเอาเพียงแค่นี้ก็พออันนี้คือเราแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขทุกทวนาจากนั้นเราก็นั่งคัดสมาธินะ นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดทรูนะ่ะเมื่อเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกซะกอ่อนไหวครูซะกอ่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เพราะว่าการที่จะนั่งสมาธินี้ไม่ใช่เราผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้คิดขึ้นมา เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นได้ท่านท่านได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรจะน้อมรำลึกถึงกราบพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นก่อนก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเมื่อขาขวาทับขาซ้ายแล้วเราประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูเช่นก่อนพทุทโธธรรมโม สังโฆพุทโฆธรมโมสังโฆพุทโฆธรรมโมสังโฆ ส, สามจบในเมื่อเราไหว้ครูไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สามจบแล้วเราก็เห็นนึกในใจว่าข้าเป็นเจ้าจงเป็นตูคล้ายๆกับว่าแผ่เมตตาในจิตใจอีกรอบหนึ่งคล้ายคล้ายกับให้จิตใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้เป็นอริศัศตูไม่ให้เป็น โกรธแค้นะคะกับดวงวิญญาดวงวิญญาญาณผู้ใดใครผู้หนึ่ง เ, เราจะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในขณะที่นั่งภาวนาเนี่ยให้ให้จิตใจของเราเนิ่งให้จิตใจของเราสงบให้จิตใจของเราอ่อนน้อมนะจากนั้นเมื่อข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขทุกวิญญาณขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาจะได้มีเวรมีภัยต่อกันซึ่งกันและกันาจากนั้นเอามือลงพอมือลงลวหายใจเข้าพดาบริกรรมพดอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะแต่พุกรรมฐานของพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าไม่มีท่านบริกรรมท่านบรไม่ได้บริกรรมอะไรนะเพียงจะให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้า รู้วาหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่กรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นทำให้เผลอได้ง่ายหลงลืมได้ง่ายเพราะนั้นให้สำทับกับคำวิคคำวิกร ร, กรมด้วยนะ เวลาหายใจเข้าบริกรรมพ์หายใจออกบริกรรมโทให้พดโทพดโทอยู่ที่ปลายจมูกทันวานะ อ, าอย่าให้ไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามลมออกมาข้างนอกให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนกับเราดอยู่ข้างประตูนคนผ่านเข้าไปในบ้านเราก็รู้ว่าคนเข้าไปเราคนออกเดินออกมา เราก็รู้ว่าคนเดินออกมาเราไม่ต้องตามไม่ต้องตามคนเขาไปในทอ่อในในบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องตามลไม่ต้องตามคนออกไปข้างนอกเพียงแต่รู้ว่าคนเข้าแล้วก็คนออกคนเข้าคนออกอันนี้ก็เหมือนกันเราบริกรรมกาหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกถ้ามันเผลอมันหล ง, ม, ลงมันลืมไปเอากลับมาใหม่บริกรรมใหม่ ตั้งต้นใหม่แต่ถ้าว่ามันตั้งต้นใหม่เอ๊มันหลงเอาเอาบริกรรมทีทีดูซิในความรู้สึกนึกคิดของเราให้มีความรู้สึกในกรรมฐานตัวนึกคิดของเราให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอ่อก็ได้ไม่ให้มันลหลงไหลผังไหลไปทางอื่นให้อยู่กับพุโทโธนะเท่านั้นให้อยู่กับพุโทโธให้ทีเย็บนะอันนี้ก็ได้นะ แต่หลวงพ่อขอแนะนําคณะสัตยาย ญ, ญาติโยมอีกอแนวหนึ่งเพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ตั้งสี่สิอย่างนะคณะสัตยาธยญาติโยมแต่ทำยังไงถึงจะจิตจับจิตใจของเราให้อยู่ให้เป็นสมาธิได้ให้ท่านก็ให้กรรมฐานนั้นๆนะอย่างหลวงพ่อแนะนำเราพวกเราชอบการชอบอการนับนะ เราเกิดเราตื่นขึ้นมาเราก็นับเงินนับสิ่งนับของเพราะนั้นให้เรานับลมหายใจเข้าออกดูซิหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับห้านับหกจนถึงร้อยนะถ้ามันไม่เผลอนะก็นับกลับมานับหนึ่งใหม่อีกแต่โดยมากมันเผลอนะมันจะเผลอมันเผลอมันเผลอเป็นยังไงมันจะเบรเบอร์พอเบอเบอคือหายใจเข้านิด เป็นเลข1ฮะหายใจออกเป็นเลข2หายใจเข้าเป็น3าหายใจออก4 5 6 7 8 9หกสิถึงรนะ้อนะหายใจเข้าเป็นเลขคี้หายใจออกเป็นเลขคู่นะขี้คู่ขี่คู่ขี้คู่ไปถึงรนะ้อนะถ้าไม่เผลอแล้วนะกลับมาม า, มาอีกออถึงร้ออีกถ้ากว่าไม่เผลอสักสามสห้าหครั้ง เ, เราจะยังค่อยปุ บริกรรมพุทธโถต่อที่นี่โดยมากมันจะเผลอ Raven ара, ไม่ใหม่นะไม่ใหม่ matter. ตั้งต้นให้ไหมให้เข้มแข็งอีกอไม่ให้มันเผลอเนมะื่อมันเผลอมันจะเผลอยังไงมันเผลอคล้มลคๆมันจะเบอเบอร์เบอร์เอร์เข้าไปหายใจเข้าเอเป็นเลขขี่ใช่ไหมหายใจออกเป็นเลขคู่พอมันเผลอเข้ามาไปหายใจเข้าเป็นเลขคู่ได้ทีนี่หายใจออกเป็นเลขขี่เ อ, อมันสลับกัน เออทางที่ตะกอนมันขี้คู่ขี้คู่ใช่ไหมเออพอต่อมามันจะคู่ขี้ทีนี้เออเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าโอ้เรามันเผลอพอมันเผลอขึ้นมาเราตั้งต้นไม้ x ให้เข้มแข็งขึ้นกแต่จะเป็นจะไปนับถึงร้อยนะพอนับถึง10บถ้ามันไม่ถึง10เอากลับมา x กลับมานับหนึ่งใหม่อกีกมันเผลอยู่ไหนให้หยุดให้กลับมาหานับหนึ่งใหม่เราจ ะ, ะ ร, รู้ได้ว่าสติของเราเนี่ยเป็นยังไง เออน่แหละอันนี้คือการเป็นการฝึกสตินะคณะสัทา ย, ยาติโยมลูกหลานนะเอ่อเม е ื่อเรานั่งภาวนาเม е ื่อเราไม่เผลอแล้วไะ น, นับถึงร้อยก็ไม่เผลอจากนั้นสติของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคนที่มีสติดีนี่แหละเออคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีเนีน่ยอัลไซเมอร์ก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเอาอบ้าๆเบอร์เบอร์มันก็ไม่มีไม่มาไนะ เพราะอะไรเพราะว่าเรามีสตินะคนที sure. ่มีสติดีนะดีนะเพราะนั้นให้พวกเราฝึกเอาไว้นะฝึกสติเอาไว้นะเพราะฉะนั้นให้ภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกสตินะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราขันติธญาติโยมลูกหลานได้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็พร้อมกันในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ ตัตรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพธิ์ปุกเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติคนหลังได้นี่แหละตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นก่อนที่พวกเราเ อ, อยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญให้พวกเรานั่งภาวนานะนั่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าออก ในเมื่อเราภาวนาจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งนะจิตใจรวมสงบคือเป็นอัปปนาสมาธินะสมาธิมีอยู่สามขั้นนะขั้นแสมาธิอุปจารสมาธิคั้กแสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิในเมื่อใจของเรารวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิใจเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น เมื่อจิตสงบรวมถึงขั้นนั้นแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยเเราจะเห็นตัวของเราได้ชัดเจนจากายกับใจใจกับกายที่พระพุทธเจ้าว่ามนโนปุกพังขา ม, มาธรรมามโนเศรษถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อเราทำจิตใจให้สงบอย่างนั้นเราเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ในตัวของเราเนะี่ยมีอยู่สองอย่างคือกายกับใจใจกับกายกายกับใจร่างกายเหมือนกับรถนะร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถนะครดรถกับคนขับรถเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันนะก่อนที่รถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนะี่ยมันต้องมีใจนะใจเข้ามาครอง ใจเป็นผู้บงการใจเป็นผูเ้เป็นผู้พานําเพราะนั้นใจนสมควรยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมได้รับการฝึกฝนได้รับการเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะว่าถ้าหากว่าใจของผู้ใดก็ตามไร้คุณธรรมไร้ศีลธรรมไรจริยธรรมใจมีแต่โมโหโกธามีแต่พยาบาทอาฆาตจองเวรใจเป็นนักเลงใจเป็นใจไม่ดีพูดง่าย ใจไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นใจถ้าไม่มีใจเป็นไม่ดีอย่างนั้นแล้วนะ่ะมันก็พากายไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกับโซเฟอร์รถนะ่ะโซฟสเฟอร์อรถกินเหล้าเข้าไปเป็นนักเลงหัวไม้ใช่ไหมเป็นคนไม่ดีอพอขับรถขึ้นไปกับไปเฉียวไปชนปีบแกดา่าดักไปหมดเพราะเหตุไรเพราะโซเฟอร์ไม่ได้รับการอบรมโซเฟอร์ไม่นิสัยไม่ดี โซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราพธบริษัททั้งหลายให้เอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจยังหว่ามโนปุพังขามาธรรมมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วเมื่อรถคันนี้มันแก่ใช่ไหมละ่ะ รถคันนี้มันแก่หมดสภาพแล้วอย่างคุณโยมคุณพ่อน้อมของเราปู่คุณตาคุณปู่ของเราเนี่ยเหมดสภาพแล้วรถคันนี้อ่านหมดสภาพโลูกสูกมันก็ติดเอออะไรมันก็เสียหมดแล้วสินี่จะทํำยังไงได้โซเฟอร์ของท่านก็ต้องออกจากล่างแลยสินี่หนีออกจากรถคันนี้พ่อนี้ออกจากรถน่ะจุดนั้นแหละสําคัญสินี่ พระพุทธเจ้าให้ทำความสําคัญจุดที่ว่าโชเฟอร์ที่ออกจากรถน่ะได้คิดไว้เลยอย่างได้คิดล่วงหน้าไว้เลยอย่างแต่บางคนไม่ได้คิดน ะ, ะไม่คิดว่าตัวเองจะตายอีกต่างหากไม่ได้คิดไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษเอตายแล้วศูนย์อีกต่างหากก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจแต่พระพุทธเจ้าว่าควรจะคิดไว้นะเราจะเดินทางไกลนะ เ, ะเราจะต้องเดินทางไกลเพราะฉะนั้นต้องคิดไว้ ไม่ตายแล้วไม่ศูนย์นะออกจากร่างนะเพราะนั้นก่อนที่เราจะออกจากร่างซเฟอร์จะออกจากรถคันนี้นะเมื่อรถคันนี้ใช้มานานแล้วเนะี่ยซเฟอร์ได้เตรียมเงินไว้ไหมได้เตรียมพร้อมไว้อะไรอย่างได้หาทุนไว้ไหมถ้าหาทุนไว้เมื่อรถคันนี้พังออกไปมันเสียแล้วซเฟอร์ก็ต้องซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่าเก่าเพราะเหตุอะไร เพราะได้เตรียมได้คิดไว้ได้เตรียมไว้แล้วนะจ๊ะถ้าว่าโซเฟอร์ไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดล่วงหน้าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้หนีจากรถคันนี้นะมีแต่เขี่ยวมีแต่ขี่รถคันที่เขี่ยวตลอดไปตลอดมาผลในสุดพอหมดรถคันนี้หมดสภาพเท่านั้นแหละหาเงินก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินเพราะไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนจุดนี้เป็นจุดที่ พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่า น, นบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาิโยมน ะ, อ, ะอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิตเบื้องต้นว่ามรณงเมภาวิสติขยะวยธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายเนะี่ยบอกเราทั้งหลาย เ, เกิดมาแล้วนะ่ะต้องตายแน่ ไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้พูดทางนี้ทานั้นเราไม่ใช่เอาความตายมาความตายมาขู่กันนะ<ด>เพียงแต่ชี้ประเด็นให้ดูว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมคิดดูซิพวกเราก็ต้องยอมรับว่าใช่ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นไปได้ตายทุกคนไม่มีหลวงพ่อกำลังพูดหลวงพ่อก็จะไปอีกเหมือนกับคุณโยมน้อมเน่ น, นะแล้วพวกเราล่ะ จะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมคงจะไม่ใช่ต้องไปด้วยกัน เ, เปลีป่ยนแต่ว่าใครกอดใครหลังเท่านั้นแหะข่าวนี้ตาข้าขาวน่าตาเองไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปได้ข่าวนี้ขาวน่า เ, เพราะนั้นเมื่อเรามีความมรณะภัยคือความตายอยู่อย่างนี้เพราะพระไตรยาทั้นว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าโซเฟอร์นั่นแนะก่อนที่ ่ก่อนที่รถคันนี้จะเสียจะพังไปเนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทได้รีบพังเงินไว้น่าอย่างไรยังไงรถคันนี้ต้องพังแน่นะ เ, เราจะต้องหาเงินไว้หาทุนไว้หาทุนก็คือหาบุญกุศลหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราในเมื่อพวกเรามีบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วนะ เ, เมื่อรถคันนี้พังเราก็ซื้อรถคันใหม่ <c oughs> ซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่าเก่าอีกแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมเอาไว้นะเมื่อรถคันนี้พังแล้วจะทำยังไงทนี่เดินย่ำตอกไปนะ่ะทุกยากลำบากเพราะนั้นขอให้พวกขราวคณะสัทยาญาโยมนะพระพุทธเจ้าท่านว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดท่าติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะให้พวกเราท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิดนะคือประโยชน์ตนก็คือนี่นะการเป็นอยู่ให้มีศีลห้าการทํามาหาเลีกยงชีพด้วยทางสุดจริญอย่าไปหลอกให้มีศีลห้าอย่างที่พวกทีหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นศนะีลหเนี่ยคืออะไรนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะจากนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมการอยู่ด้วยกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ให้รักเมตตากันเอาไว้ไม่ถึงร้อยปีเราต่างคนต่างไปละควรนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำํำ อ, อย่าคิดอย่าพูดอย่าทำสิสิ่งที่มันไม่ดีถ้าคิดพูดทําในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วความไม่ดีนั่นแหะจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อตายไปแล้วคนทั้งหลายกระดาษแช่งตามหลังไปอีกเพราะเหตุพเตพราะอะไรเพราะตัวเองทําไม่ดีเพราะฉะนั้นควรจะทําแต่ขุดงามความดีควรจะสร้างแต่บุญเติกุศล เพราะนั้นการกล่าวสังเวทนิยกถฐานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระษีรัตน์ไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้มาคุ้มครองขอให้ดวงวิญญาณของออคุณยงน้อมสิงสถิตยอยู่ณนถะินใดขอให ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากโลกจากหลานที่ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถ้าว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิงๆขึ้นไปถ้าว่าท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์และก็ขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานลูกๆหลานๆทุกคนจงป ร, ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธิน